ทีก็เห็นรูปนี้เกิดขึ้นในวิบากจากปุญญานทีก็เห็นรูปนี้ รับอารมณ์ใดแล้วก็รับแต่อารมณ์นั้นด้านอยู่หลบอยู่ข้างในด้านอยู่ข้างในเพราะอะไรจึง ว่าเอ๊ะเราไปรับอารมณ์กามนิพพิทก็อย่างเก่าอย่างเก่าแม้ถ้า ประโยชน์ที่ได้จากภาวังกิจนั้นไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากความสนุกสนานเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์และความมีความรู้สึกดีๆอยู่ในนั้น <c oughs> เป็นรากฐานของชีวิตเป็นรากฐานของความรู้สึกนึกคิดเป็นรากฐานของฐานของความที่เราจะเคลื่อนๆในชีวิตหลังจากนั้นวิถีจิตเช่นปัญญาปัญญา วิบากในภวังค์จิตเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวเชื้อน่ะเป็นหัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ยดึงที่ที่ว่าเป็นเป็นเป็นเมลพันธุ์ของ ไม่มีเชื้อเป็นพวกไม่มีเชื้อชื่อเป็นพวกไม่มีชื่อไม่มีวิสัยบารมีขึ้นในในทั้งนั่วก็สูตรพูดไม หลักวิชาเก่งครูเก่งแต่ใครไม่เก่งเองคนผู้รับธรรมไม่มีเชื้อ นะเป็นเชื้อแล้วคนที่มีศรัทธาอย่างว่ามันไม่ได้มาทําให้เกิดผลเองแต่มันเป็นเป็นตัวเป็นเอาเอากวางมาตม เก็บเม็ดต้องใส่เชื้อต้องมีเชื้อนะอย่าไอ้สำนวนว่ามีเชื้อมีเชื้อเราก็ปลูกกันอยู่ เราดึงพวกเจตสิกที่อยู่ทั้งหมดเหล่านี้ภวังคจิตออกมา ถ้ามันมาลงเป็นภวังคจิตแล้วเนี่ยนี่มันเป็นเป็นเชื้อแถวที่เรียกว่าใกล้อยู่ตามตัวเรากระแส 1 เป็นนิสัยที่เรา ในภวังคจิตของเราด้วยนี่อันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ คนใครจะมาห้ามไม่ได้เลยนั้นจะห้ามตัวไม่ฝื้นไม่ได้ครับดีก็ฝื้นไม่ได้ใครจะรับไม่ได้ห้ามไม่ได้ ฝืนไม่ได้ทั้งทั้งที่ไอ้ตัวเอง เป็นความดีส่วนอื่นความดีส่วนอื่นคนพวกนี้อาจจะมีลักษณะเราแต่ เอาเข้าจริงแล้วทําไม่ได้ว่าคนคนนี้น่ะ ปรากฏว่าไอ้ตอนเกิดไอ้กุศลนําเกิดนะเช่นบาปไปกินเหล้าบาปไปทําให้คน เนี่ยสนใจเรื่องดูไปรู้ว่าสนใจเรื่องความดีเหลือเกินชอบเข้า ได้ว่าเขาไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาสนใจไม่ได ว่าอ่ามีคณะบุคคลหนึ่งที่เค้ารู้จักกับผม แล้วเราก็รู้ว่าอีกหน่อยก็ต้องบ่นแดดทราบหลายร่วมกิจกรรมบังฆกรรมกับคนคนนี้นะถึง ทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยอยู่ในตัวเขาหมดเลยทีนี้ก็เป็นปีอื่นโดยบังเอิญก็ก็ผมก็เลยตอนนั้นคุณผมหรอกมีก็มันก็บังเอิญมันเป็น <c oughs> ได้รับความเสียหายรับความเสียหายได้รับความบางคนก็แค่ผิดหวังคงก็เสียหายเรื่องอื่นๆ แต่เวลาเขาพูดธรรมะนี่เหมือนเค้ารู้เหมือนเค้ารู้ทะลุปรวงเหมือนกับๆไม่ใช่ มองในแง่อธิบายในแง่ธรรมะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนก็แต่ที่ผมเล่าเนี่ยผมขอเรียนว่าไม่ใช่ นะฮะว่ามันเป็นส่วนผสมแห่งเหตุปัจจัยของชีวิตเรามันไม่เหมือนกันมันมีต่างๆกันเรามอง เป็นเรื่องผิดปกติที่จะมาต่อว่าต่อขานศาสนามาต่อว่าต่อขานธรรมะหรือแม้แต่ต่อว่าต่อ ตรงนี้น่ะนิสัยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เขาก็จะคือเป็น ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดตรงนี้ไป เรเราก็พอต่อแต่แต่ๆขั้นต้นได้แต่จะไปหยิบฉวยนิพพานง่ายเราคุณนะก็ต้องนี้ทีนี้ไม่กาลณีอีกกันนี้คน แล้วก็กําลังของกิริโอตปะในภวังค์จิตก็ ไอ้คุณสมบัติในชาตินี้ของตัวก็ ในตัวบุคคลเกิดขึ้นอย่างนี้ซึ่งเราเห็นแล้วบุคคลเกิดขึ้นเนี่ยนี่ซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะได้แต่กุศลจิตอย่างเดียวเลยครับไม่ แล้วก็อาจจะนึกว่าเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างนี่วัดค่าความรู้สึกถ้าเราเป็นถ้ารู้สึกอย่างนั้นนะถ้ารู้สึกโอ้โหนี่เรา กลับกลายเป็นว่าเรากลับดีขึ้นกลายเป็นว่าเรากลับดีขึ้นเรากลับได้ดีจากความ แสวงหาวัฒนะจากความหายนะแสวงหาวัฒนะจากความหายนะก็เราก็เลยเห็นว่าชีวิตนะและถ้าเราไปต้องเหตุปัจจัย เราก็ยังเผยหน้าอยู่นะแต่ถึงคิวให้ผลเรานั้นอย่าประมาทนี่นี่กลับมา เอ่อในมันอาจจะลงลงรายละเอียดที่ดีๆประกอบอยู่ อาจจะเป็นปัญญาด้วยแต่ในวิบากเนี่ยไม่มีเจตสิกนะอย่างเช่นอ่าวิรติอะไรแต่ 19 เนี่ยมันไม่เหมือน มันมีอย่างชนิดที่ไอ้ตัวเป็นตัวประสมลงกับเป็นตัวเจ้าของปิบัตินะเนี่ยเวลาให้ ยังอิริโอดตะปะให้เกิดที่เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษในภัยเห็นภัยในโทษแม้แต่เพียงเล็ก นิดเดียวเนี่ยเห็นเป็นโทษมากนี่คือคนที่มีฮิริโอตตัปปะมากนิดเดียวก็กลัวนิดเดียวก็สะดุ้งสะเทือนอันนี้น่ะเค้าเรียกว่านั่นแหละออก กุศลนี้ให้ผลทําเกิดตัวหิรินั้นจะเป็นตัว เตือนตัวเองก็จะเตือนตัวเองได้จะเกิดความรู้สึกอย่างชัดเจนได้นะเป็นผู้มีความ แต่ว่าญาณเราอย่าคือเมื่อไม่มีความละอายเนี่ยเนี่ยแม่งก็ๆอ่ะเขียนไม่อายบาดเอาเป็นว่าอย่างไม่อายบาดคือไม่อายจริงๆยังไงก็รู้ๆ เออก็ดูแล้วก็เราก็อาจจะนึกว่าเป็นไปได้ยังไงนะทําไมจะต้องแปลกแปลก มีความรู้สึกว่ากังๆจะเพราะฉะนั้นๆอยู่หน่อยๆก็เป็นอย่างเนี้ย เป็นฐานรองรับอย่างดีให้ความเป็นไปได้ในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต้องแสวงหาอย่างนี้จึงเป็นการได้ผล ถ้าเราได้อย่างเนี้ยมันอยู่กับตัวเราเลยครับอยู่กับตัวเราเลยคนที่มีเค้าเรียกว่ามีปัญญาอยู่กับตัวเนี่ยไอ้ที่เราพูดน่ะ เนี่ยประคนมีอย่างนี้แล้วจะรู้สึกว่ามันอยู่ในตัวของตัวเองไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายด้วยไอ้เนี่ยว่ายังไม่นะมาคราวหน้าแล้วกัน